เจตนาดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงความรับรู้ทั้งหลายไม่เที่ยงข้อความจากโอกากันตสังยุตพระอัครสาวกแก้ความเห็นที่ผิดให้พระยะมะกะัดูก่อนยะมะกะัจพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระอรหันตขีนาศพตายแล้วย่อมขาดศูนจงทำไว้ในใจเถิดว่า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 ที่คุณเสียไปทุกชาติที่ผ่านมารวมแล้วยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งหมดการได้มาและเสียไปนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความอยากโน้อนอยากนี่ไม่หยุดความอยากนั่นแหละคือตันหาตันหานั่นแหละคือความหิวกระหายแท้ไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วที่หิวนั้นหิวน้ำที่หานั้นหาน้ำ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 จิตไม่ถูกปรุงแต่งให้ขาวหรือดำแต่จะบริสุทธิ์ใสและไม่กลับมาเป็นทุกข์ได้อีกเลยนิมิตบอกลางนิมิตบอกลางจะไม่เกิดขึ้นกับพระอระหันตขีนาศจิตดวงสุดท้ายจะวูบหายไปเฉยๆเหมือนเปลว เ, เทียนดับจากนั้น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 ด้วยปัญญาอันชอบได้สภาพแวดล้อมของนิพพานนิพพานไม่ใช่ผลของกรรมไม่ใช่ภพภูมิฉะนั้นจึงไม่มีสภาพที่มนุษย์และเทวดาจะเห็นด้วยตาเปล่าไม่อาจกำหนดว่าเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปกลม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 ดับจากที่เห็นที่เป็นอยู่นี้เรียกว่าไม่มีแล้วเพราะเหตุดับแต่นิพพานอยู่เหนือกว่าการมีและการไม่มีจึงพ้นวิสัยที่จะบรรยายด้วยคำพูดที่ติดอยู่กับการมีขอเพียงให้ย้ำระลึกไว้เถิดว่าพระพุทธเจ้าให้คิดถึงนิพพานโดยความเป็นบรมสุขเป็นรถอนเนือรถทั้งปวง จะได้มีกำลังใจเข้าให้ถึงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับต่อไป